นัชานปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนัมขปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจัยกับละมีสามวาระติกไนณัอธิปติปัจัยกับอาเสวนปัจัยและนเหตุปัจัยมีสองวาระณปุเรชาตปัจัยกับณาเสวนปัจัยและนเหตุปัจัยมีสองวาระ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 เอกาทสกนัยนปัจฉาชาตปัจัยกเพทุปัจัยอารามนาปัจัยอธิปติปัจัยอนันตระปัจใจสมานันตระปัจัยสหชาตปัจัยอัญญมัญญปัจัยนิสยาปัจัยอุปนิสยปัจัยและปุเรชาตปัจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจัยกับละมีสาวาระ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 นอธิปฏิปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่ออาหารทุกกนัย377ดเนาเหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสองวาระณอธิปฏิปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระ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 นัมขปจใจกับชานัปจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตจปจัยกับชานัปจัยมีสามวาระติกนัยณอธิปฏิปจัยกับชานัปจัยและเหตุปจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อมคทุกไนัย380สในเหตุปจัยกับมคปจัยมีหนึ่งวาระ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 นว um oh ิปยุตตาปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีสามวาระติกนัยนอธิปติปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระในวุงเล็บย่อสัมปยุตตทุกกนัย38ดอในเหตุุกปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ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 นาชานปัจ <yl ass ian: Allah> ัยกับวิปยุตตาปัจัยมีหนึ่งวาระนมคปัจจัยกับวิปยุตตปัจ <time> ัยมีหนึ่งวาระติกัยนอธิปฏิปัจัยกับวิปยุตตาปัจัยและเหตุปัจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจัยกับวิปยุตตาปัจัยและเหตุทุปัจัยมีหนึ่งวาระ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 กับอธิปัจจัยนัธปัจจัยวิคตาปัจจัยและอวิคตาปัจจัยในมูงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีอารมณปนัจปั จ, จเป็นมูลอนุโลมปั จ, จนิยะจบ 4. ปัจญยปัจญจิยานุโลมนาเหตุทุกขในัย3ป4ส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 เหมือนกับนกกรรมมัตตปัจใจณอธิปฏิทุกไกสามยแปดหเหตุปั จ, จัยกับณอธิปฏิปัจัยมีสามวาระอา ร, รมณปัจจัยกับณอธิปฏิปัจัยมีสามวาระละอวิคตปั จ, จัยกับณอธิปฏิปัจัยมีสามวาระติกไกอารมณปัจจัย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 นปัจฉาชาตปัจจัยในมูงเล็บแม่วาระที่มีนอาเสวนาปัจัยเป็นมูลก็เหมือนกับวาระที่มีนเฮตุปัจัยเป็นมูลนกะกรรมปัจจนยะณวิปากปัจจัยและนะมัคคะปัจัยในมูงเล็บมูลทั้งสามนี้เป็นเหมือนกับมูลเดียวกันมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยเหมือนกันข้างต้นละมีหนึ่งวาระ